ตังเป้าเอาสัญชาตญาณเลือกถูกเมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งสําคัญมักมีหลายสิ่งบีบคั้นไม่ให้คุณมั่นใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเช่นเสียงยุกับเสียงค้านรอบตัวแรงดันให้อยากลองกับแรงผลักให้ท้อถอยในตนเองข้อมูลแง่ดีกับข้อมูลแง่เสีย และอะไรต่ออะไรอีกสารพัดแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ชวนปั่นป่วนรุนแรงเป็นที่สุดก็คือความไม่รู้ว่าเลือกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าทุกคนรู้หมดว่าเลือกทางไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโลกคงมีแต่ความเจริญทุกผลแห่งเต็มไปด้วยคู่คนหน้าตาสมหวัง เพราะคงไม่มีใครเลือกให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังเป็นแน่มองไปมีแต่คนเลือกให้ตัวเองดีใจในที่สุดกันทั้งนั้นยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดก็ดีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก็ดีไม่ได้ช่วยให้คนเราเลือกถูกทุกครั้งตรงข้าม บางคราวความฉลาดและการเตรียมข้อมูลดีนั่นเองเป็นเหตุให้พลาดโอกาสสำคัญหรือโอกาสได้ทำไปอย่างน่าเสียดายได้นักเลือกนักขัดสรรที่เก่งที่สุดในโลกต่างรู้กันว่าเพื่อจะตัดสินเลือกอะไรสำคัญสำคัญให้ถูกต้องนั้นนอกจากตักกะวิธีคิดอันชานฉลาดแล้ว คนเราต้องมีสัญชาตญาณเลือกถูกติดตัวอยู่ด้วยเพื่อจะปลุกสัญชาตญาณดังกล่าวให้ทำงานตั้งตน้นคุณต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือจะพูดให้ชัดคือยอมผิดบ่อยๆเป็นอันดับแรกจากนั้นต้องทำใจเปิดหูเปิดตาดูเหตุผลของความผิดที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นไม่เห็นเป็นบาดแผล แต่เห็นเป็นบันไดและที่สุดคือพร้อมยืดอกรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความคิดอ่านประมาณว่าคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่ได้เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อก้าวขึ้นสูงขั้นต่อไปคนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะมีความรู้สึกเข็ดหลาบกับการเหนื่อยเดินผิดทาง คนรับผิดชอบเท่านั้นคือคนที่จะเกิดสัญชตาตญาณเฉลียวคิดฉลาดคน้นเปล่งนประกายปัญญาเลือกทางถูกได้เองในที่สุดทุกครั้งที่ตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายด้วยสติและโดยความพร้อมจ ะ, ะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ให้ถือว่าถูกเสมอเพราะถึงแม้ว่าอะไรอะไรจะออกมาไม่ดีคุณก็จะเข้มแข็งขึ้น ชีวิตที่เข้มแข็งพอจะรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองนั่นแหละคือความถูกต้องที่แท้จริงเหนือขึ้นมากกว่าการตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจำวันคือการเลือกทางชีวิตที่ถูกให้ตัวเองระดับนี้แค่สร้างสำนึกรับผิดชอบยังไม่พอต้องมีสัญชาตญาณอันถูกต้องประกอบอยู่ด้วย สัญชาตญาณคือการรู้เองไม่ต้องเข็นคิดให้มากส่วนความถูกต้องหมายถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือหมายถึงความเบากายสบายใจทั้งของตนและคนในโลกรอบข้างถ้าเล็งเข้ามาที่ใจวัดผลกันที่ใจคุณจะได้รากฐานความถูกต้องที่แท้จริงไปเอง เพื่อให้เกิดสัญชาตญาณหรืออาการรู้เองขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณต้องฝึกคือคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆและเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงไม่ใช่เอาแต่เข้าข้างตัวเองว่าดีก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นด้วยนั่นทำให้มองได้ว่าถ้าชอบกลัน่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อน ถ้าชอบใส่คล้ายให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริงถ้าชอบด่วนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดีก็เท่ากับชอบทำเรื่องเสื่อมชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยที่เขาไม่ควรจะต้องทุกข์โดยย่นยอ่อการเข้าข้างตัวเองเพื่อเบียดเบียนคนอื่นคือตัวบัญทอนสัญชตาตญาณในการเลือกถูก และเพิ่มฝ้าหมอกบังตาให้เลือกผิดเมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดเป็นขาดโดยมีแก่ใจคิดเองว่าคุณจะไม่จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อนเมื่อตั้งใจดีแล้วมีเหตุยั่วยุลองใจคุณผ่านได้ทาได้จริงก็จะรู้เพิ่มขึ้นไม่เว้นแตละวันว่านี่เป็นชีวิตที่ดีชัดๆ นี่เป็นจิต ท, ที่สว่างชัดๆนี่เป็นทางแห่งความสุขชัดๆตัวของชีวิตและจิตใจของคุณเองจะพัฒนาเป็นฐานที่มั่นให้เกิดสัญชตาตญาณเลือกถูกขึ้นมาเองถึงขนาที่ว่าต่อให้มีความเดือดร้อนดักรออยู่ข้างหน้าจู่ๆคุณก็จะเกิดการไหวตัวใจเลือกที่จะหลีกเลี่ยง เบี่ยงให้พ้นจากการมุ่งหน้าชนความเดือดร้อนได้นั่นเพราะจิตไม่อยู่ในวิธีของการเบียดเบียนสลาวจิตดีๆชีวิตดีๆเป็นสิ่งมีความสามารถรักษาตัวเองไว้เมื่อต้องเลือกอะไรสำคัญๆก็มักไม่เลือกอะไรที่ทำให้ตัวเองแย่ลงมีแต่จะยิ่งยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆ